บท น, นี้ได้กล่าวถึงสภาพของบุคคลขณะที่ใกล้จะตายโดยที่ความหวาดกลัวและความยากลําบากจะปรากฏขึ้นมนุษย์จะเกิดความขับแค้นและความทุกข์ยากอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยบท น, นี้ได้จบลงด้วยการยืนยันถึงการชุมนุมและการกลับไปเกิดอีกครั้งหนึ่งด้วยหลักฐานและข้อพิสูจน์ทางด้านสติปัญญาบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะห์ ด้วยพระนามของลอล l a ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออกมบยิลข้าขอสาบานต่อวันเฮียมบิินนลาและข้าขอสาบานต่อชีวิตที่พระนามตนเองออาาบนนัมม มนุษย์คิดหรือว่าเราจะไม่รวบรวมกระดูของพวกเขากระนั้นหรือแน่แนอนทีเดียวเราสามารถที่จะทำให้กลายนิ้มือของเขาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แต่ว่ามนุษย์นั้นประสงค์ที่จะทำความชั่ว เขาถามว่าเมื่อใดเล่าวันแห่งการฟื้นคืนชีพจะเกิดขึ้นเมื่อสายตามืดมั ว, วลและดวงจันทร์ถูกบดบงังด้วยความมืดและดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ถูกนำมารวมกั น, ก น, น, นวันนั้นมนุษย์จะกล่าวขึ้นว่าไหนเล่าทางนี้ ล่าเลยไม่มีที่ขึ้นหรอกในวันนั้นยังพระผู้อภิบาลของเจ้าเท่านั้นคือที่พักอันสงบสุขบบ ว, วันนั้นมนุษย์จะถูกแจ้งให้ทราบถึงสิ่งที่ได้กระทำไว้ก่อนและในภายหลงัง เปล่าเลยมนุษย์นั้นเป็นพยานต่อตัอตวของเขาเองถึงแม้ว่าเขาจะเสนอข้อแก้ตัวของเขาก็ต่อ เจ้าอยากระดิกลิ้นของเจ้าเนื่องด้วยอัลกุรอานเพื่อเจ้าจะรีบเร่งจัดจังอินอาไลนาจัมั่งฮุฮุบุบอานะแท้จริงหน้าที่ของเราคือรวบรวมอัลกุรอานให้อยู่ในสวงปกขอ ง, ของเจ้าและการอ่านมาันอีดะกรอหนาฮุฟัสบิอัลกุรอานะดังนั้นเมื่อเราอา่านอัลกุรอานเจ้าก็จงติดตามการอ่านนั้นทุมอินนาลนาบยานะ เราแท้จริงหน้าที่ของเราคือการอธิบายอัลกุรอานกล่าวเลยแต่พวกเจ้ารักการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้และพวกเจ้าละทิ้งปรรโลกในวันนั้นหลายหลายใบหน้าจะเบิกบานเจ้ามองไปยังพระผู้วิบาลของมัน และในวันนั้นหลายๆใบหน้าจะเศร้าสลดมันคิดว่าความหายอนะอันใหญ่หลวงจะเกิดขึ้นแก่มันปราวเลยเมื่อวิญญาณขึ้นมาถึงคอหอยและมีผู้กล่าวว่า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 วันนั้นจะมีการนำพาไปยังรพระผู้อภิบาลของเจ้าเพราะว่าเขาไม่เชื่อมัน่น แ, และไม่ละหมาดแต่เขาปฏิเสธและฝินหลังให้มมาออลละต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 เขาจะถูกปล่อยไว้โดยไร้จุดหมายกระนั้นหมือมมเขาไม่ได้เป็นหยดหนึ่งจากน้ำอสุจิที่ถูกให้พุ่งออกมากระนั้นหรือแล้วเขาได้เคยเป็นก้อนเลือด ก, ก้อนหนึ่งแลวโรงทรงบังเกิด